จเจริญพรทุกคั้งสามสี่เดือนมาเจอกันครั้งหนึ่งก็พอดีพอดีนะสมัยก่อนหลวงพ่อไปกลับครูบาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ประมาณสามเดือนครั้งหนึ่งปีหนึ่งไปได้สี่ครั้งเป็นขาราชการน้อรอวันหยุดไปได้ช่วงมาคาวิสากะช่วงนี้ข้าวันสารก็ช่วงวันเฉลิม เป็นสามสี่เดือนเนี่ยจะไปหาครูบาอาจารย์ไชาร์จพลังคือเข้าใกล้ท่านใจเราก็จะตื่นตัวในการปฏิบัติพอห่างๆมาบางทีก็เฉยเหมือนกันอยู่กับโลกจะทำให้ต่อเนื่องตลอดเวลานะมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันบางช่วงเราก็มีเรื่องวุ่นวายมากมายนะงานมากหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่หลวงพ่อไม่เคยทิงการปฏิบัติ แต่ในแต่ไรมาแล้วแต่ละเดือนเนื้อจะออกไปกลับครูบาอาจารย์ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยไปโคราชหลวงพ่อพุธอยู่โวราชแล้วก็มาเรือนๆเนื้อก็จะคอยดูครูบาอาจารย์มาเทศในกรุงเทพก็ไปฟังไปฟังเทศท่านไปได้เห็นท่า น, นก็ใจมันก็มีกำลังขึ้นมา นึกดูทำไมก่อนท่านก็คงลาบากเหมือนกันเพาท่านก็เคยเล่าแต่และองค์ลมลุกลุกลานมาทุกองลำบากกว่าจะได้ธรรมะนีพอได้ธรรมะแล้วแต่ละองค์แต่และองค์ท่านอยู่มาจนแก่จนเฒ่าดูท่านมีความสุขมันไม่เหมือนคนทางโลกคนในโลกนะ้ำแก่เท่าแล้วดูเฉาดูเหี่ยวแห้ง ไม่มีที่พึ่งที่อาศัยอะไรลงา้ลำบากไม่มีความสุขไม่มีความอบอุ่นครูบาอาจารย์ท่านภาวนาของท่านดูท่านมีความสุขดูท่านมีความอบอุ่นดูท่านมีความมั่นใจอย่างชาวโลกเนะียดูแล้วไม่มีความมั่นใจเลยไม่มีความแน่นอนแต่ละคนาากน็จะกังวลวันข้างหน้าจะเป็นยังไงครูบาอาจารย์ ท่านดูมีความสุขท่านอยู่กับปัจจุบันได้แล้วแต่ก่อนที่ท่านจะมามีความสุขท่านก็ลําบากเหมือนพวกเรานี้แหละกิเลสไม่เข้าใครออกใครหรอกเราต้องต่อสู้มาถูกองค์ทูกองพอไปเห็นท่านเราก็ตั้งใจว่าเราต้องดีอย่างท่านให้ได้ต้องมีความสุขอย่างท่านให้ได้ทําไงจิตใจจะเหมือนท่าน ก็คอยดูท่านปฏิบัติยังไงท่านสอนอะไรแล้วก็เอามาทําแต่หลวงพ่อรู้จักเลือกครูบาอาจารย์นะรู้จักเลือกเข้าไปหาแต่ละองค์แต่ละองค์งที่เข้าไปเรียนด้วยนะครูบาอาจารย์ดีๆทั้งนั้นเลยไม่เฉพาะในสายวัดป่านอกสายวัดป่าเขาเข้าไปไปอย่างครูบาพรห ม, มาจักอะไรเนะียทงเหนือท่านก็เก่งือนท่านท่านก็ดีแต่ว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลาย่สอนลงที่เดียวกันหมดเลย ออกไปเจอท่านนะสอนลงมาให้เรามีสติให้เรารู้เนื้อรู้ตัว้สอนให้เรารักษาศีลมีสติเรื่อเจริญปัญญาพอถึงขั้นเจริญปัญญาเนี่ยท่านจะสอนแต่ละคนแตกต่างกันไปเราก็ค่อยฟังเอาอย่างหลวงพ่อถ้าออกไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะสอนให้ดูจิตกีโอ์กีโอก็สอนให้ดูจิตเหมือนทั้งหมด กระทั่งบางองค์ขึ้นชื่อลือชาว่าสอนให้พุทโธพิจารณ ก, กายอย่างโลตามมหาบัวให้พุทโธพิจารณ ก, กายหลวงพ่อไปเรียนกับท่านนท่านกลับบอกให้ดูจิตเอาแต่ท่านก็บอกว่าไม่ให้ทิ้งพุทโธว่าถ้าทิ้งพุทโธไปเดี๋ยวจิตมันไม่ถึงฐานมันดูจิตไม่ได้นี่ยหลวงพ่อมาพุทโธพุทโธใจมันไม่ลงมันไม่ถนัดพุทโธ ก็ลกลับมารู้ลมหายใจจิมก็เข้าฐานเข้ามาที่เดียวกันสุดท้ายก็มาเจริญปัญญาด้วยการดูจิต ด, ดูใจตัวเองพวกเราภาวนานะเราอย่ามาตามหลวงพ่ อ, อยางหลวงพ่อทำสมถะด้วยอนาปนสติเจริญปัญญาเนี่ยโดยใช้จิตตานุปัสนาพกเราไม่จำเป็นต้องเหมือนหลวงพ่อสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้นะคือหลักของการปฏิบัติเราก็ต้องไปดูตัวเราเอง ว่าเราปฏิบัติแบบไหนนะจิตสงบเราปฏิบัติแบบไหนจะเกิดปัญญาแต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันเรียนแบบกันไม่ได้นี่คือเหตุผลที่หลวงพ่อแม่จัดคอร์สด้วยตัวเองเลยเนะีย่ยพานั่งสมาธิพร้อมๆกันพาเดินจงกรมพร้อมกั น, กนทำทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันทำไมไม่ทำเพราะว่าพุทธเจ้าท่านก็ไม่เคยทา ท่านมีแต่สอนหลักของการปฏิบัติให้แล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปบอกโ น, น่นควรไม้ในเรือนว่างนีภูเขาที่ถ้ำแยกย้ายกันไปแยกย้ายแล้วก็ไปเล่งความเพียรของตัวเองแต่ละคนก็ดูตัวเองว่าควรกับธรรมฐานอะไรอย่างหลวงพ่อธรรมานาปนัสติหลวงพ่อไม่ได้บอกว่ารู้สิทธ์ต้องธรรมนาปนัสติบางคนไม่เหมาะกับานาปนสติทาไม่ได้ คนไหนทําได้ก็ดีทําไม่ได้ก็แล้วไปมันกไไ็ไม่แตกต่างกันนะไปทําอย่างอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันขอเพียงให้จิตสงบให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเท่านั้นเองจะใช้พุโทโธก็ได้นะใช้พุโทโธแล้วเราก็รู้ทันจิตบางคนบอกพุโทโธเป็นแค่คําบริ ก, กรรมเนื้นเอาไปทํำวิปัสสนาไม่ได้ก็ถูกของเขาเราพุโทโธพุโทโธแล้วเราค่อยรู้ทันจิตนจิตเป็นอารมณ์ปรมัติตนะ เป็นปรามตธรรมเอาไปทํำวิปัสสนาได้งั้นเวลาเราหัดพุทโธสมมุติเราจะใช้พุทโธในการปฏิบัติเนี่ยพุทโธแบบไหนให้เป็นสมถะเราพุทโธพุทโธไปนะแล้วก็รู้ทันจิตที่มันฟุ้งซ่านพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันเนี่ยถ้าเราพุทโธอย่างนี้นะตรงที่เรามีสติรู้ทันจิตที่หนีไปพุทโธพุทโธจิตหนีเรารู้ ตรงที่รู้เนี่ยจิตจะตั้งมั่นโดยไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นตรงที่จิตตั้งมั่นโดยไม่ได้เจตนาเนี่ยเราได้สมาธิละเราได้สมถะละจิตใจมันอยู่กันเนื้อกับตัวอันนี้หลวงพ่อเขาไม่ได้พูดเราเองครูบาอาจารย์ที่ท่านพุโทโธมาคุณแม่จันดีแล้วท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าท่านน่นแหละพุโทโธมาท่านถามว่าหลวงพ่อพานา ม, มาแบบไหนไปจิตลงที่เดียวกัน จิตลงที่เดียวกันจิตลงที่ไหนจิตลงที่จิตน่ะสิจิตรูนะ้เนื้อรู้ตัวท่านบอกท่านพุโทโธนะแล้วก็ท่านรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปพุโทโธพุโทโธนะจิตหนีอย่างเงี้ยท่านรู้ทันจิตก็ตั้งมัน่นขึ้นมาเะฉนั้นถ้าเราถนัดพุดโทโธเราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเราจะได้สมาธิแล้วถ้าจะต่อพุโทโธเราขึ้นปัญญาทาได้ไหมทาได้เหมือนกัน การที่เราคอยรู้ทานจิตแล้วพุทโธเป็นแบ็กกราวไว้ตัวหลักที่จะรู้คือจิตตัวหลักที่จะรู้คือจิตเงั้นเราพุทโธไปจิตมีความสุขเราก็รู้พุทโธไปจิตมีความทุกข์เราก็รู้พุทโธไปจิตสงบเราก็รู้พุทโธไปจิตฟุ้งซ่านเราก็รู้อย่างนี้นานๆไปเราก็จะเห็นว่าจิตที่สงบอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายจิตที่ฟุ้งซ่านอยู่ชั่วคราวแล้วก็หาย จิตที่มีความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตที่มีความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปการที่เห็นสภาวะของจิตเกิดดับเนะีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกขนะ์นั่นแหละคือการเจริญปัญญาเพราอฉะนันถ้าเราพุโทโธเป็นนะเมื่อก็ได้ทางสมถะได้ทางวิปัสสนาไหลงตามหาบัวท่านถึงพูดนะว่าท่านพุโทโธนะตั้งแต่ต้นจนจบทําได้ไหมทาได้ทําอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ย พุโทโธพุโทโธไปถ้าจิตหนีไปเรารู้ทันเราจะได้สมาธิถ้าพุโทโธแล้วจะขึ้นปัญญาแล้วก็พุโทโธแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจะเห็นว่าเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เจริญเดี๋ยวก็เสื่อมลงท้ายท่านก็ไปลงที่เจริญแล้วเสื่อมท่านก็บอกว่าเอจิตมันเจริญมานานนานไปมันก็เสื่อมได้อีกเนี่ยจิตมันเป็นของแม่เที่ยงนะท่านก็ปล่อยวางจิตได้ เห็นไหมแค่พุทโธอย่างเดียวนะถ้าเราทําเป็นนะมันได้ทางสมถะทางวิปัสนาแต่วิปนะัสนานั้นเราดูอะไรเราไม่ได้ดูพุทโธเราดูจิตถ้าเราใช้ลมหายใจละ่ะได้ทางสมถะทางวิปัสนาไหมก็ได้เนีย่ยเราหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไปเรื่อยเรื่อยเน้นที่ความรู้สึกตัวให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ให้จิตฟุ้งซ่านไปที่อื่นอันนี้เป็นสมถะ งั้นเรามาหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกใจมันหนีไปคิดรู้ทันใจมันไหลเข้าไปเพง่งลมหายใจรู้ทันตรงที่รู้ทันจิตที่ e, ไหลไปไหลมาสม า, าสมาธิจะเกิดเพราะสมาธินั่นคือความตั้งมั่นคือความไม่ไหลตรงข้ามกับไหลความตั้งมั่นจิตเราไหลไปไหลมานะะี่คือจิตไม่มีสมาธิถ้าเรามาหายใจออกรู้สึกหาใจเข้ารู้สึกแล้วเราก็รู้ทันจิตไป เรารู้ทันจิตนะเราก็จะเห็นเออจิตไนไหลทันทีที่รู้ว่าจิตไหลจิตก็ตั้งมันสมาธิก็เกิดนี่ถ้าเราจะหายใจนะธรรมานปัญสติแล้วขึ้นวิปัสสนาทำได้ไหมทาได้เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่หายใจอยู่เป็นวัตถุเป็นก้อนาธาตุเป็นก้อนทุกจากการที่เห็นร่างกายไม่ใช่เรานะ ร่างกายมีความทุกข์บีบคั้นอยู่นี่ก็เป็นวินปัสนาเหมือนกันแล้วใครเป็นคนดูร่างกายที่หายใจจิตเป็นคนดูจิตที่เป็นคนดูร่างกายที่หายใจแล้วก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวก็ดูที่ร่างกายเดี๋ยวก็หนีไปที่อื่นเนี่ยเราเฝ้ารู้ทันหายใจไปเรื่อยเรืรู้ทันร่างกายที่หายใจรู้ทันจิตที่เคลื่อนไหว เ, เ, เปลี่ยนแปลงนี่ก็คือการเจริญปัญญาเหมือนกันงั้นถ้าเรารู้จักการปฏิบัตินะรู้หลัก ที่แม่นยำแล้วเนี่ยเราหยิบอะไรขึ้นมาสักอย่างนีจะพลิกให้เป็นสมถะก็ได้พลิกเป็นวิปัสสนาก็ได้มันพลิกกันนิดเดียวแต่ความหมายหรือผลที่ได้นั้นแตกต่างกันมากหรืออย่างบางคนขยับมือทําจังหวะขยับมือทําจังหวะเนี่ยถ้ามุ่งให้จังหวะถูกต้องนะไม่ได้อะไรเลยนะแต่ถ้าขยับมือทําจังหวะแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่มือรู้ทันไปจิตเคลื่อน เพื่อนไปคิดรู้เพื่อนไปเพ่งใส่มือรู้จะได้สมาธิขึ้นมาไม่ใช่หลักเดียวกันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้จิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้ขยับมือจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งมือก็รู้จิตไหลเรารู้ไหลเรารู้เพราจิตไหลแล้วเรารู้เนี่ยจิตรู้จะเกิดที่หลวงพ่อเตียนบอกว่าคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวนะอย่าไปให้ความสําคัญกับกระ บ, บวนกากระบวนกาไม่สําคัญสําคัญที่สติ มีสติรู้ท่านจิต ท, ที่ไหลไปไหลามานั่นแหละะสมาธิที่แท้จริงจะเกิดขึ้นหลวงพ่อรู้จักครูบาอาจารย์สายหลวงพระเทียนองค์หนึ่งนะคือหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อคำเขียนน่ะพ่อน่าเก่งแล้วท่านเล่าเองเลยบอกว่าท่านไปเรียนกับหลวงพ่อเทียนน่ะี่ยเรื่องสิบสี่จังหวะอะไรเนะี่ยมาทีหลังหรอกตัวสําคัญคือสติถ้าว่างี้นะถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญา งั้นถ้าเราทําิบสี่จังหวะแล้วสติกเกิดสติเป็นตัวรู้ทันรู้ทันอะไรรู้ทันจิตรู้ทันใจของเรานี่แหละจิตนี้ไปคิดรู้จิตนี้ไปไหลเข้าไปอยู่ในมือก็รู้อย่างนี้เรียกว่าเราพาวนาเป็นแต่ถ้าเราจ้องจิตแนบอยู่ที่มือไปเรื่อยๆอันนี้จะเป็นสมถะชนิดเพ่งอารมณ์อยู่เฉยๆจะเพ่งนิ่งๆอยู่เฉยๆจะไม่เกิดปัญญาจะเป็นเรียกว่าอารัมมณูปนิฉันคือเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียว เมือนอ่าเรารู้ลมหายใจแล้วจิตใจจับอยู่ที่ลมหายใจไม่หนีไปไหนเลยนะอันนี้เป็นอารมามณูปนิชานได้สูงสุดก็คือได้แต่ความสงบแต่ไม่ได้ปัญญาดังนั้นถ้าเราฝึกกรรมาฐานสักอย่างนึ่งเราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเราจะได้สมาธิชนิดที่เรียกว่าลักขณูปนิชานตัวนี้เหนือกว่ากันมากนะอารมามณูปนิชามีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกนะลักขณูปนิชานเนี่ยเจ้าชายสีทัตหาทำได้ตั้งแต่เด็ก แล้วท่านก็ทิ้งไปไปฝึกอารามณูปนิชานฝึกเพ่งอารมณ์กัารูศีแล้วท่านก็บอกว่าไม่ใช่ทางนะท่านก็นึกถึงตอนเด็กๆได้นะท่านก็ทำลัคนูปนิชานขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็เดินปัญญาต่อเฉั้นอย่างเราถ้าเราทําจังหวะนะเคลื่อนไหวไปเนี่ยอย่าเน้นที่ตัวจังหวะให้เน้นที่ความรู้สึกตัวถ้าใจหนีไปคิดเนี่ยไม่รู้สึกตัวละรู้ทัน ใจไหลไปเพง่งอยู่ที่มือนิ่งๆแนละนะสงบอย่างเดียวซื่อบื้ออยู่อย่างนั้นให้รู้ทันรู้ทันจิตที่ไหลไวจะได้สมาธิที่ถูกต้องแล้วถ้าจะเจริญปัญญาทำไงจเจริญปัญญาด้วยการขยับมือได้ไหมไดนะ้มันอยู่ในสติปัฏฐานในหมวดที่เรียกว่ า, าสัมปชัญญะบัพภะนีาสัมปชัญญะบัพระเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกนะล้วเราเคลื่อนไหว ใจเป็นคนดูร่างกายเคล <aquí S 1> <Ow> ื่อนไหวใจเป็นคนดูก็จะเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่เนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นคนดูนะเดี๋ยวก็ไปดูร่างกายเดี๋ยวคนดีไปคิดเรื่องอื่นเอาแน่เอานอนไม่ได้ตกอยู่ในความไม่เที่ยงตกในอยู่ในสภาวะที่บังคับเอาจริงเอาจังไม่ได้ก็จะเห็นอีกจิตเองก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาร่างกายที่เคลื่อนไหวก็มีแต่กองทุกมีแต่ความเป็นอนัตตาเป็นแค่ก้อนธาตุก้อนขัน เห็นไหมถ้าเราภาวนาเป็นนะอันใดอันหนึ่งเนี่ยเราก็ทําได้วิธีอะไรไม่สําคัญหรอกสําคัญที่ว่าจิตของเราถูกต้องหรือเปล่าแต่ถ้าเราจะพุโทโธเราก็เพ่งอยู่ที่พุโทโธนะเราก็ได้อารามานุปนิชานได้สงบอย่างเดียวไม่เดินปัญญารู้ลมหายใจเราก็ไปเพ่งลมหายใจอยู่อย่างเดียวนะนิ่งอยู่ที่ลมหายใจลืมโลกไปเลยก็ได้อารามานุปนิชานไปไหนไม่รอดก็ อ, อยู่ตรงนั้นนะขยับมือเราก็เพ่งใส่มือก็ได้อารามานุปนิชาน พั้นถ้าเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วเรารู้ท่านจิตที่เคลื่อนเราจะได้ลักขคนุปัญิชาญได้สมาธิชนิดที่เอาไว้เดินปัญญาคือจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานขึ้นมาแล้วถ้าจะเจริญปัญญาก็ดูรูปดูนามทางานอย่างพุทโธนี่พุทโธไม่เป็นรูปนามพุทโธเป็นสมมุนบัญญัติแต่ว่าอะไรเป็นรูปเป็นนามจิตนั่นแหละเป็นตัวนมามธรรมเอาไว้ทําวิปัสสนาได้แั้พุทโธแล้วรู้ท่านจิต สุขจิตทุกขจิตดีจิตชัว่วก็เห็นว่าจิตไม่เที่ยงจิตบังคับไม่ได้นะเหตุนั้นเป็นวิปัสนารู้ลมหายใจไปถ้าจิตไปอยู่ที่ลมหายใจนิ่งอยู่ที่ลมหายใจเป็นสมาธิแบบแรกคือเรียกว่าอารามณูปนิชานอารามณูปนิชานคือสมาธิที่เพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวได้ความสงบเฉยแต่ถ้าเรารู้ทันหายใจไปรู้จิตหนีเรารู้จิตนี้เรารู้มีได้สองแบบหนีิปคิดกับห น, นีไปเพ่ง เพ่งอะไรก็เพ่งลมหายใจนั่นแหละถ้ารู้ทันมนะันก <c oughs> ็จะได้รักนุปนิชานจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วถ้าจะเดินปัญญาทําไงก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวยังไงก็หายใจร่างกายมันกระเพิ่มกับเพิ่มนะที่หลวงฝ่อสอนพวกเราว่าเวลารู้ลมหายใจอย่าไปจ้องที่ตัวลมหายใจอย่างเดียวจะจ้องใส่ลมหายใจมันจะเป็นอารมณ์นุปนิชานให้เห็นร่างกายหายใจนั้มันจะต่อขึ้นปัญญาได้เลย เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูมันจะรู้สึกเลยตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเรานะจะเห็นเองเลยแล้วจิตที่เป็นคนดูก็มีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ก า, า, า, า, า, ารบังคับไม่ได้นะใช้หลักอันเดียวกันนี้แหละหยิบกรรมฐานที่เราถนัดขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็มาใช้หลักที่ถูกต้องแล้วก็สามารถทําได้ทางสมถะทางวิปัสสนาแต่ถ้าเราไปเพ่งไว้เฉยๆมันก็ได้อารมณ์หนูผลิชานได้แต่เพ่งสงบเฉยๆแต่งโง่เรียกสมาธิโงนะ่ไม่เกิดปัญญา คนไหนฝึกดูท้องพองยุบทํำยังไงถ้าดูท้องพองยุบแล้วจิตเราไหลไปเกาะอยู่ที่ท้องนิ่งๆนะเป็นสมาธิแบบแรกเรียกว่าเพ่งอารมณ์ใช้อะไรเป็นอารมณ์ใช้ท้องเป็นอารมณ์มีอารมณ์เดียวเรียกาอารามานุปนิชฌานได้ความสงบเฉยๆส่วนใหญ่ของคนที่ฝึกแนวนี้ก็คือพวกเพ่งท้องทางนั้นเลยนะไม่ขึ้นวิปัสสนาจริงหรอกยากมากที่จะขึ้นวิปัสสนาเพราะอะไรเพราไม่รู้หลักแต่ถ้ารู้หลักแล้วก็ทําได้เหมือนกัน ถ้าเราเห็นท้องฟองท้องยุบนะแล้วเราคอยรู้ทันจนิตจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันจิตก็จะไม่ไหลจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะได้รักขนูปนิชฌานพอเรามีรักขนูปนิชานแล้วเราเห็นร่างกายพองร่างกายยุบอย่าไปดูที่ท้องนะดูเห็นร่างกายมันพองเห็นร่างกายมันยุบเหมือนที่บอกว่าอย่าไปดูที่ลมหายใจ ให้เห็นร่างกายมันหายใจออกร่างกายหายใจเขา้ารู้ ส, สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกสบายๆรู้สึกตัางตัวนี้แหละเห็นได้ร่างกายมันพองร่างกายมายุบใจเป็นคนดูขึ้นมาแล้วมันจะรู้สึกขึ้นมาจะเกิดความรู้สึกขึ้มร่างกายที่พองที่ยุบอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรานะจะมีการหมายรู้ที่ถูกขึ้นมาว่ามันไม่ใช่เราหรอกแล้วมันก็มีความทุกข์บิบคั้นอยู่ตลอดเวลานะท้องพองก็ทุกข์นะท้องยุบก็ทุกข์นะแล้วเห็นทุกข์เห็นอนัตตา แล้วก็รู้ทันจิต ท, ที่เป็นคนรู้จิตหนีไปที่อื่นรู้ทันเราก็เห็น่จิตหนีได้เองจิตจะหนีไปก็หนีได้เองงั้นเราทำกรรมฐานนะสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดอะไรก็ได้ที่หลวงพ่อยกตัวอย่างมากี่อย่างแล้วเนี่ยมีพุโทโธใช่ไหพุโทโธรู้ลมหายใจเ อ, อาอทำจังหวะดูท้องพองยุบแล้วดูจิตละ่ะดูจิตก็ได้เหมือนกัน ได้ทั้งหมดเลยนะดูจิตเนี่ยยิ่งอาศจรรังหนักเข้าไปอีกเอาแบบละเอียดเลยไหมอยากรู้ไหมรู้แล้วจะทำได้เปล่าดี <c oughs> ย๋ยวเราหาัดดูจิตดูใจเนี่ยการที่จิตเคลื่อนไหวไ ป, ไปมาเราคอยรู้สึกรู้สึกนะต่อไปพอจิตมันเคลื่อนเนี่ยสติเกิดเองไม่ได้เจตนารู้สึกแต่มันรู้สึกได้เองนี่เกิดสติได้เองนะแล้วถ้าจิตเคลื่อนไปกนะิเลสเกิดขึ้นมา เรารู้ทานกิเลสในีกิเลสดับศีลจะเกิดขึ้นเองถ้าจิตเคลื่อนไปเรารู้ว่าจิตเคลื่อนจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นตั้งมั่นเนี่ยสมาธิเกิดแล้วเราก็จะเดินปัญญาต่อเลยเราจะเห็นว่าจิตเนียเคลื่อนได้เองเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็หนีไปคิดเดี๋ยวก็หนีไปเพ่งเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้เนี่ยดูจิตดูใจนะได้ครบหมดเลย ได้สติได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาที่จริงแล้วดูอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันแหละได้เหมือนกันแหละหลักก็หลักเดียวกันะอยากจะดูจิตให้มีสมาธิทําไงเราก็ดูจิตดูใจไปถ้าดูจิตเฉยๆดูยากก็บริกรรมอะไรแถมเข้าไปก็ได้พุโทโธพุโทโธไปหน่อยก็ได้ะแล้วจิตหนีไปเราคอยรู้จิตนี้ไปคอยรู้ก็ได้สมาธิแล้วต่อไปเราก็คอยรู้ทันมีสตินี่แหละรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมา นะเดี๋ยวก็ไหลไปคิดเดี๋ยวก็ไหลไปตูโอ้มันไม่เที่ยงนะจิตมันไม่ทรงตัวอยู่เฉยๆหรอกไม่ได้เป็นผู้รู้ตลอดเวลาเดี๋ยวก็หนีไปคิดเดี๋ยวก็หนีไปเพ่งนะเดี๋ยวก็สูขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายจิตทุกชนิดไม่เที่ยงจิตทุกชนิดนะั้ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นไปเองสั่งมันไม่ได้อันนี้คือการเจริญปัญญาด้วยการดูจิตนะั้นดูจิตก็ได้เหมือนกัน ในความเป็นจริงแล้วที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะในสติปัฏฐานะกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยใช้ได้ทั้งหมดเลยใช้ได้ทุกทุกทุกทั้งหมดนะกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยใช้ทําสมถะเนี่ยได้ทั้งนั้นเลยแต่ใช้ทำวิปัสสนาได้เกือบหมดบางอย่างในสติปัฏฐานเนี่ยทำวิปัสสนาไม่ได้อย่างการดูเรื่องอาหารเป็นปฏิคูลเรื่องปฏิกูอาสุภาษณ์อะไรพวกนี้เป็นสมถะ จเจือปนอยู่ในสติปัฏฐานเพราะว่าบางคนท่านสอนให้ทําสมถะก่อนนะท่านก็สอนสมถะแทรกเข้าไปในสติปัฏฐานด้วยแต่หลักๆแล้วนะถ้าเป็นอารมณ์รูปนามเราก็ใช้ทําสมถะก็ได้ทำวิปัสสนาก็ได้นั้นอย่างจิตเคลื่อนเรารู้เราก็ได้สมาธิได้สมถะนะแล้วเราเห็นว่าร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นคนรู้ร่างกาย เป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตไม่เที่ยงเป็นอนัตตานะหรือร่างกายพองร่างกายยุบร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งจิตเป็นคนดูใช้หลักเดียวกันทั้งนั้นเลยนั่นหลวงพ่อถึงบอกนะว่ามันไม่มีหรอกกรรมฐานวิเศษวิโสอย่างเดียวใช้ได้สําหรับทุกคนไม่มีรับรองไม่มีถ้ามีกรรมฐานอย่างเดียวที่ใช้ได้ทุกคนนะพระพุทธเจ้ า, าไม่เหนื่อยเท่านี้หรอก สอนมันอันเดียวเลยง่ายๆใช่ไหมเอาไปท่องก่ไก่ถึงฮอนุพุกแล้วได้สมาธิท่องเอถึงแซดแล้วได้วิปัสสนาถ้าทําง่ายๆอย่างนั้นใช่ไหมมันไม่มีนั้นเราก็อย่าไปว่าคนอื่นนะกรรมฐานเนี่ยเป็นของเฉพาะตัวใครถนัดอะไรใช้อันนั้นแต่ต้องใช้ให้ถูกถ้าใช้ผิดมันจะเป็นอารามโนปนิชานอยู่ไปเพ่งไว้เฉยๆถ้าใช้ถูกเนี่ยก็จะได้รัคนูปนิชานจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดู แล้วก็เดินปัญญาเห็นรูปเห็นนามทำงานไปอย่างนี้พอไหวไหมแล้ที่สําคัญคือหลักของการปฏิบัตินะที่สําคัญไม่ใช่รูปแบบไม่ใช่ว่าจะต้องขยับมือกี่จังหวะขยับมือสิบสี่จังหวะดีกว่าสิบหกจังหวะอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแล้วแต่ความถนัดหลวงพ่อเคยเข้าไปหาหลวงพ่อเทียนนะเห็นหลวงพ่อเทียนสอนคารวะอยู่ตอนนั้นท่านไม่ได้สอนพระมันคารวะมานั่งเรียนศาลาท่านเป็นไม้ อผอมนะแคบๆนั่งแคบๆเนี่ยท่านก็ขยับไปพูดไปเพเออหลวงพ็เตียนนี้เข้าท่านะหลวงพ่เตียงขยับนะพูดไปพูดไปเนะี่ยจิตไม่หลงไม่ไหลนะจิตรู้ตื่นเบิกบานสบายๆไอ้พวกที่ไปฝึกกับทนะ่านเนี่ยพวกนึงก็เพ่งใส่มือไว้จิตไปอยู่ที่มือนะทำฝุกสวยเป๊ะเลยเปล่าเพ่งอยู่เท่านั้นเลย อีกพวกหนึ่งขยับไปขยับจนกระทั่งไขสันหลังเนี่ยมันทํางานได้ล้นะขยับเองโน่นหนีไปนอกวัดแล้วใจอ่ะห น, นีไปแล้วหนีไปที่อื่นแล้วอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยนั่นไม่ใช่วิธีไหนดีไม่ดีนะหลวงพ่อก็ลองบ้างแอบดูท่านเออดจิตท่านดีเราก็ลองมาขยับบ้างไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ในวัดท่านนั่นแหละมาขยับนะสิบสี่จังหวะขอท่านขยับไปขยับมามันไม่ถูกจริตหลวงพ่อเป็นพวกโทษะจริต อะไรที่ลุงรังมากๆเนี่ยทนไม่ได้อะไรวะทั้งสิบสี่จังหวะนะยังจะตบยุงตบตรงโน้นตบตรงนี้นะวุ่นวายไปหมดเลยไปไปมามือต้ตีกันเองนะชักลำาญวนวิธีนี้ไม่เหมาะกับเราเอานิดเดียวนะอแค่นี้แค่นี้น่ะจริงก็ตื่นพลงขึ้นมาเฮ้ยมันก็เหมือนกันแหละนี่เราเหลืออยู่จังหวะแค่นี้สองจังหวะใช่ไหมแบรกกรรมแบรกกรรมหรือขยับเนี้ยขยับแค่นี้มันก็เหมือนกันหมดอนะ อยู่ที่หลักของการปฏิบัติไม่ใช่อยู่ที่เปลือกของการปฏิบัติเปลือกของการปฏิบัตินั้นแต่ละคนมีเปลือกไม่เหมือนกันอย่างพวกเราเนี่ยแต่งตัวแต่ละคนมัมีเสื้อผ้าไม่เหมือนกันใช่ไหมเราบางคนเราเห็นคนนี้หุ่นเขาดีเราอยากสวยอย่างเขาบ้างไปซื้อเสื้อผ้าแบบเขามาใส่กลายเป็นเข้าต้มมัดเลย <c oughs> <c oughs> ดูไม่ได้เลยมันก็ต้องดูตัวเองใช่ไหมให้พอดีกับตัวเอง แั้เราอยาไปว่าใครใครทำกรรมฐานอะไรก็ได้นะแต่ถ้าถูกหลักแล้วมันไปที่เดียวกันหมดเลยแต่ถ้าผิดหลักอ่ะมันก็ไปตามทางที่ผิดนั่นแหละส่วนใหญ่ก็ไปเพ่งเพ่งแล้วใจมันก็คลีดเครียดแน่นแน่นอึดอาดอยู่นั่นแหละแล้วก็ทนทนเอาคิดว่าวันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลไม่บรรลุอะไรหรอกกล้ทุกขทรมานไปเรื่อยๆ เ, เป็นอัตตะกิลมัฐานุโยก อย่างสมมติว่าเราเห็นเพื่อนเรานะเขารู้ลมหายใจแล้วจิตเขาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเขาแยกธาตุแยกขันได้เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเราก็อยากเอาอย่างเขาหายใจเข้าไปนั่นแน่นอึดเลยอดทนไว้อดทนไว้เดี๋ยวจะได้เป็นเนี่ครับอย่างนี้เรียกว่าอัตตะกิลมัฏฐานโยคนะทําตัวเองให้ลําบากง่ายคำว่าอัตตะกิลมัฏฐานโยคเนี่ยสําหรับคนแต่ละค น, นยไม่เหมือนกัน อย่างหลวงพ่อนะแค่ไปท่องพุทโธเฉยๆเนี่ยก็เป็นอัตตะกิลมตตานุโยกแล้วเราก็ตามมาหาบัวบอให้เรงพุทโธพุทโธพุทโธโอ้ใจอึดอัดใจไม่เอาหรือมาพิจารณาร่างกายเคยเล่นนะพี่นักกายก็เคยเล่นไม่ใช่ไม่เคยพิจารณาแต่ว่าไม่ชอบรู้สึกตื่นไปแต่ว่าในตัวนี้ตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยไล่ไล่ไล่ ไ, ล ไ, ลไล่นะมันมีกระดูกอยู่บางท่อนในร่างกายเราเนี่ยถ้าไปดูกระดูกท่อนนี้เราจะปวดจะปวดขึ้นมาทันทีเลย ไปถามหลวงพ่อพุธหลวงพ่อครับทําไมผมดูร่างกายดูกระดูกะทําไมมันปวดอยู่ท่อนหนึ่งท่านบอกมันไม่ถูกจริตท่านก็มีอยู่ท่อนหนึ่งเหมือนกันท่านพูดอย่างนี้นะท่านบอกว่าทำกรรมฐานนะดูตัวเองดูให้ถูกจริตของตัวเองทํากรรมฐานอะไรนะแล้วมีสติขึ้นมาได้นะก็ใช้ได้ะแล้วก็รู้สึกตัวแยกธาตุแยกขันไปเห็นธาตุเห็ น, หนขันทํางานไป ทางใครทางมันนะไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเลวมากกว่ากันหรอกถ้าทําถูกก็ใช้ได้เหมือนๆกันถ้าทําผิดก็ผิดเหมือนๆกันะยังมาดูจิตดูใจผิดได้ไหมดูจิตก็ผิดเดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ผิดทำมาว่าดูจิตดูจิตเนี่ยไปคุยอวดคนน้นคนนี้ว่าฉันดูจิตดูจิตที่จริงไม่ได้ดูจิตเราที่จริงเพ่งจิตไม่ได้ดูดูหมายถึงว่ไงอย่างเราดูหนังใช่ไหมเราไม่ได้เพ่งหนังไปเพ่งจอหนังนิ่งๆอย่างนี้ แล้วมันได้อะไรขึ้นมาไม่ได้อะไรนี่เราดูเห็นหนังมันเคลื่อนไหวเราก็แค่ดูเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเราก็แค่ดูถ้าเพ่งให้จิตนิ่งมันก็ไม่ใช่ดูจิตนะเราแค่รู้สึกเราเห็นจิตมันเคลื่อนไวหวเปลี่ยนแปลงไปเงินพวกที่ว่าดูจิตดูจิตนะบางทีส่วนใหญ่ไปเพ่งจิตหรือไปสร้างพบบางอย่างขึ้นมาพบนิ่งๆพบว่างๆว่างๆมีหลายแบบพวกหนึ่งว่างอยู่ข้างนอกพวกนี้เป็นเยอะพวกติดวิปัสสนา ภาวนาภาวนาไปดูจิตดูใจทํางานไปนะจิตมันไหลออกไปข้างหน้าไม่เห็นว่าจิตเคลื่อนออกไปแล้วไปสว่างไปว่างอยู่ข้างหน้ามีความสุขอยู่ได้เป็นปีๆเลยแล้วถึงตรงเนี้ยนะ่าจะสบายอยู่อย่างเนี้ยใจมันอยู่ข้างนอกนะมันไม่เข้าบ้านเลยห้ามเอาอย่างนะนี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะเออหลวงพ่อจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่หรอก เ, รเล่นมาเยอะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปค้างอยู่ข้างนอกอนะ่ะ ถ้าไปค้างอยู่ข้างนอกนะ่ะจิตไป ต, ติดโอภาษติ ด, ต ด, ตดความว่างความสว่างเป็นวิปัสสนูตัวหนึ่งนะไม่เดินปัญญาหรอกตัวนี้ที่หลวงตา ม, มหาบัวท่านบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อดูไม่ถึงจิตแล้วดูไม่ถึงจิตว่าอะไรจิตไปอยู่ข้างนอกนั่นะอีกพวกหนึ่งนะเข้าไปอยู่ข้างในไปว่างอยู่ข้างในสอนกันด้วยนะสอนดูจิตดูจิตเนี่ยสอนกันบอกว่าให้รักษาจิตอยู่ภายในนิรันดรให้รักษาจิตให้ว่าง ถ้าความคิดเกิดขึ้นให้ปัดทิ้งความคิดเกิดขึ้นให้ปัดทิ้งไอ้นั่นเป็นขั้นของสมถะเบื้องต้นหรอกทําอารามณูปนิชานเท่านั้นเองนะแต่ถ้าจะเดินปัญญาต่อแล้วความคิดเกิดแล้วปัดแล้วจิตก็ว่างอยู่ข้างในนิรันดรบอกนี่คือพระอรหันต์พระอรหันต์จริงๆไม่มีข้างนอกไม่มีข้างในนะถ้ายังเอาจิตไปไว้ข้างในมันก็ยังมีจิตที่คู่กันคือจิตที่อยู่ข้างนอกถ้ามีในมีนอกไม่ใช่ของจริงนะหลวงพ่หน้านะเคยผิดมาทุกอย่างเลย แต่ว่าทุกอย่างมันก็มากไปนะเอาว่าผิดมาเยอะเลยมันจะทุกอย่างหรือเปล่าตัดสินไม่ได้เราไม่ใช่พระพุทธเจ้าพะพุทธเจ้าท่านรู้จริงรู้ได้ทั่วท่วนทุกอย่างเรางพ่อรู้ได้ไม่เท่าอย่างนั้นหรอกได้นิดเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่เคยผิดมาแล้วอย่างไปว่างอยู่ข้างหน้าก็เคยผิดเคยเข้าไปว่างอยู่ข้างในนะรักษาให้ว่างๆสุดท้ายก็พบว่ามันก็คือพบพบหนึ่งมันก็คือพบพบหนึ่งพบว่างนะ ก็ตกเข้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่าอาเนชาที่สังขารความปลูแต่งว่างน่ยปลูแต่งที่จะหนีการกระทบอารมณ์ใช้ไม่ได้อีกหรือส่งจิตไปว่างอยู่ข้างนอกก็ใช้ไม่ได้นะมาว่างอยู่ข้างในก็ใช้ไม่ได้หรือบางทีส่งเข้าไปค้นกว้าข้างในก็ยังใช้ไม่ได้นะหลวพ่อเคยทํำนะที่ทําผิดคราวหนึ่งเคยเห็นกิเลสมันผุดขึ้นมาพวกเราเห็นไหมเวลากิเลสมันผุดขึ้นมามันผุดขึ้นจากกลางหน้าอกเนี่ยมันผุดขึ้นมา หลวงพ่อก็สงสัยมึงขึ้นมาจากไหนวะเราจะดูสักทีเหอะว่ากิเลสมันขึ้นที่ไหนจะเข้าไปหาต้นตอมันนะจะทําลายต้นตอมันให้ได้เลยต่อไปมันจะได้ไม่มีฐานที่มั่นของกิเลสอีกต่อไปพมอกิเลสโผล่ขึ้นมาก็ดูมันโทสะสมมติโ ท, ส ะ, ส, ท, โทสะโผล่ก็ดูมันจะหดตัวนะมันจะหดหนีเข้าไปหดเข้าไปข้างในเราไม่ปล่อยมันตามดูเรื่อยไปตั้งใจไว้เลยมึงจะไปถึงบาดาลไปเจอพญานาคก็จะไปแล้ววันเนี้ย ถึงไหนถึงกันรักลึกๆๆแล้วก็กกกกกไปหายแวบไปเอ้าหายไปแล้วเหมือนกันลงไปอยู่ในอุโมงแล้วก็ไม่เห็นอะไรแล้วนะหายไปอาใหม่ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาอยู่ข้างนอกใหม่เดี๋ยวพอ ก, กิเลสมันขึ้นมาแล้วก็ดูอีกโหดๆๆลงไปีกจะไปหาต้นต่อของกิเลสมันเข้าไปแล้วมันก็หายไปอีกดูอยู่อนนี้อยู่พักหนึ่งนะบูนบุญเนาะไปเจอโลกุปสิมเขาไปสัมมน า, าที่เชียงใหม่ขึ้นไปท่ามผาปลอง พอท่านเห็นหน้าท่านก็กวักมือเลยยังไม่ทันส่งกันบ้านเลยท่านตรวจกันบ้านเรียบร้อยแล้วพู้รู้ผู้รู้กับมือเรียกผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่ยกิเลสไม่ได้อยู่ข้างในหรอกนี่บอกอย่างนี้เลยนะรู้ว่าเราเข้าไปหากิเลสข้างในบอกพู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในหรอกเอาแล้วสิหรวงปููดูลบอกว่าอย่าออกนอกหลวงู้สินบอกอย่าอยู่ข้างใน แล้วผู้จะอยู่ที่ไหนว่าน่าจะอยู่ที่ไหนต้องหาที่อยู่ให้ได้ใช่ไหมจิตเรายัางติดพบอยู่มันต้องมีที่อยู่อ๋อหลวงปู่เทศบอกว่าต้องอยู่กลางๆผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางอย่าพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนั้นรักษาไว้ตรงกลางนะรักษาจิตไว้กลางๆนะนี่มันก็ไม่ไปไหนมันก็กลางก็ว่างๆอยู่นะแต่ไม่ได้ออกข้างนอกไม่ได้เข้าข้างในว่างๆอยู่ตรงกลางอีกนะี่หลือกลางเนี่มีความหมายอย่างอื่นอีกสังเกตดู จิตกับผู้รู้ไหมเป็นของคู่กันบางทีจิตเราก็ส่งไปที่อารมณ์ไอ้จิตกับจิตคือตัวผู้รู้อจิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันทีจิตก็ไหลไปที่อารมณ์บางทีจิตก็ย้อนมาดูที่จิตอยู่กลางๆเนี่ยต้องอยู่ตรงกลางระหว่างจิตกับอารมณ์ดูสิค้นกว้ามากนะอะไรที่ผิดที่ผิดอ่ะที่ครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกนะทําหมดเลยนะอุตสาหติดตะโดยนะหาทางเจรตบรรลุมากผลเดียวเข้าสติเอ้ไหลไปทางนี้ ก็ปล่อยจิตนะให้เคลื world, ่อนไปให้เคลื the end, the ่อนเคลื่อนไปหาอารมณ์พอเคลื่อนไปเนี่ยใกล้ๆอารมณ์แล้วกําลังจะแตะอารมณ์นะไม่แตะทวนกระแสกลับเข้ามาที่ตัวผู้รู้พอมันทวนเข้ามาใกล้ตัวผู้รู้ไม่แตะมันนะไม่จับผู้รู้ทวนเข้าไปหาอารมณ์อีกนะเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอยู่เนี้ยนะสุดท้ายมันรวมฟึ๊บลงตรงกลางเลยนี่เราว่ากลางเนี่ยทางสายกลางแล้วว่างฟึ๊บลงไปนะโลกธาตุดับนะความรู้สึกเหลือแต่ ความรู้สึกอยู่อันเดียวไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอะไรเลยนี่แหละ ว, ว่านิพานแต่ตรงที่ว่านี่แหละ ว, ว่านิพานเนี่ยตอนออกจากอตัวนี้มาแล้วนะตอนที่รูดออกมาแล้วเล่นไปเล่นมาอยู่ช่วงหนึ่งไม่ใช่เลยเข้าไปอยู่ตรงนี้ออกมาแล้วกิเลสก็เหมือนเดิมอีกะใช้ไม่ได้หรอกก็ไปเจอหลวงปู่เทศไปกราบเรียนท่านหลวงปู่ครับเนี่ยผมไม่จับผู้รู้ไม่จับสิ่งที่ถูกรู้นะจิตรวมลงตรงกลาง ผมว่ามันเป็นสมถะนะหลวงปู่ก็บอกเป็นสมาธิเป็นสมาธิอย่างหนึ่งไปหัดเล่นให้ชำนาญ น, นะทั้งวัางนี้สมาธิอย่างนี้ไม่ค่อยมีใครเล่นแล้วในยุคนี้ไปเล่นสมาธิให้ได้ทุกๆอย่างแลวเล่นพลิกแปลงไปสมาธิเนี่ยเล่นให้ได้ยอๆบอกท่านว่าหลวงปู่เขาผมกลัวติดเรารู้ว่าเป็นสมาธิหเาผมกลัวติดท่านบอกว่า ไม่ต้องกลัวถ้าติดนะั้นอาตมาตจะแก้ให้เองท่นว่าอย่างนี้นะเราก็คือเถิมติดครูบาอาจารย์ให้ท้ายะเล่นใจเล่นเล่นเลนชั่มดีชนนนะั่มนอวันหนึ่งเราไปเจอท่านอาจารย์บุญจันทร์ไม่รู้จักท่านเลยนะเดี๋ยวไปหาอาจารย์ทองยินที่วัดจันทิธรรมอาจารย์บุญจันทร์นะให้พระมาตับเรียกหลวงพ่อไปหาพอไปถึงถึงไปกราบท่านนะั้นท่านดุเอาท่านถามว่าไงภาวานายังไง เราก็เล่าให้ท่านฟังเนี่ยไม่จับอันโน้นไม่จับอันนี้นะ่ะเข้าสู่ทางสายกลางเลยเนี่ยในใจอยากจะบอกว่าเข้านิพานเพราะตอนนั้นอะ่ะไม่มีรูปไม่มีนามไม่มีอะไรเลยนะเออมีแต่ธรรมชาติรู้มีแต่ธาตุรู้อยู่อันเดียวนี่แหละนิพานในใจอย่างงี้แต่ไม่ได้บอกท่านนะกลัวถูกดา่านะท่านด่าจริงๆด้วยขนาดไม่ได้บอกนะท่านตะคอกเอาบอกเฮ้ยนิพานอะไรมีเข้ามีออก ว่ก็ฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกนะยังมีการเข้าไปสู่ตรงนี้ใช่ไหมมีการออกมาดังั้นถ้าอะไรที่อยากเป็นคู่คู่นะไม่ใช่ของจริงหรอกไปรักษาจิตไว้ข้างในมันก็ยังมีคู่กับข้างนอกออกข้างนอกมันก็มีคู่อยู่กับข้างในนะขนาดออกตรงกลางยังมีเข้ามีออ ก, อ, กอีกก็เป็นคะู่อีกนะโดนท่านตะคอกคแล้วท่านก็ถามไงจะภาวนาไงอีกเราก็นึกว่าท่านฝังของเราไม่ออกธรรมะของเราชั้นสูงมากนะ ที่จริงไม่ได้นึกอย่างนี้อันนี้มุกนะที่จริงก็คิดว่าท่านเป็นคนต่างจังหวัดฟังสำเนียงเราไม่ออกเน่งเดี๋ยวพูดใหม่อีกรอบหนึ่งคิดอย่างนี้นะพอพูดครั้งที่สองนะตะหวาดดังกว่าเก่าอีกเฮ้ย hey! นิพพานอะไรมีเข้ามีออกตั้งแต่นั้นนะจิตมันทิ้งเลยเสียเวลาอันนี้สมาธิแต่โลภุเทศก็บอกแล้วว่าสมาธิแต่ท่านจะให้หัดเล่นนะหัดเล่นมันเป็นกีฬากีฬาทางใจ ไม่ต้องไปวิ่งแข่งกับใครนะเล่นอย่างเราอยู่ได้คนเดียวเล่นได้ทั้งวันเราไม่ต้องเล่นเกมนะแต่สุดท้ายก็พบว่าทําขึ้นมาน่ะไม่ใช่ทางทําขึ้นมาไม่ใช่ทางไปไว้ข้างนอกว่างอยู่ข้างนอกก็ไม่ใช่ว่างอยู่ข้างในก็ไม่ใช่ว่างอยู่ตรงกลางเลยก็ไม่ใช่ตรงไหนก็ไม่ใช่ให้รู้อย่างที่มันเป็นรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นแต่มีเครื่องอยู่ไว้สักอย่างหนึ่ง เราไปดูตัวเองว่าเราจะอยู่กับเครื่องอยู่อะไรอยู่กับพุทโธแล้วเราก็รู้ทันจิตได้นะถ้าจิตเคลื่อนเรารู้ทันจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปเพ่งว่างๆอยู่ก็รู้ทันก็จะได้จิตที่ตั้งมั่นแล้วก็สังเกตแต่ตั้งมั่นก็ไม่ได้ตั้งอยู่เฉยๆนะตั้งแล้วก็ไม่ได้บังคับว่าต้องตั้งตลอดแล้วก็จะเห็นว่าเดี๋ยวก็จิตก็เคลื่อนเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็เคลื่อนเดี๋ยวก็รู้สึกฝึกอย่างนี้หล แล้วก็จะเห็นเลยว่าจิตจะเคลื่อนหรือจิตจะรู้สึกเราเลือกไม่ได้จิตจะสุขจะทุกข์เราเลือกไม่ได้จิตจะดีจะชั่วเราเลือกไม่ได้ดังนั้นการบริกรรมพุทโธเนี้มันจะต่อยอดเข้าไปที่การดูจิตได้เลยนะถ้ามารู้ลมหายใจเราก็จะเห็นทั้งกายทั้งใจเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอยู่ถ้าใจเราหนีไปที่อื่นรู้ทันใจเราเพ่งลงไปที่ลมหายใจหรือเพ่งร่างกายทั้งร่างกายก็ยรู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปมาจะได้สมาธิ ต่อไปก็เห็นร่างกายมันหายใจของมันนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ก็เดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวปวดอึปวดฉี่ร่างกายนี้มีแต่ของทุกมีแต่ก้อนทุกแล้วไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุใจเราเป็นคนดูใจที่เป็นคนดูเองก็แปรปรวนเดี๋ยวก็เป็นผู้ดูเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเนี่ยถ้าดูเป็นนะก็จะรู้ได้ทั้งกายทั้งใจเหมือนกันนะทนัด พองยุบก็ดูไปถ้าจิตหนีไปก็รู้จิตไปเพ่งท้องพองยุบก็รู้อย่างนี้ก็ได้สมาธิขึ้นมาถ้าเห็นในท้องพองท้องยุบเนี่ยเป็นแค่ร่างกายพองยุบนะไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกพอธาตุไหลเข้าไปมันก็พองพอธาตุไหลออกมันก็ยุบก็แค่ก้อนธาตุเท่านั้นไม่ใช่ตัวเราจ<ส>ิตที่ไปนคนดูก็เดี๋ยวก็เป็นผู้ดูเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเนี่ยดูไปเรื่อยๆดูสบายๆ ไม่ได้จ้องอยู่ที่จิตไม่ได้จ้องอยู่ที่กายรู้สึกตัวสบายสบายไปนะเห็นกายทางานเห็นจิตทํางานไปจะทำกรรมฐานอะไรกนะ็ใช่หลักอันเดียวกันหมดเลยะใช่หลักอันเดียวกันนี้แหละถ้าเราทําไปเรื่อยๆไม่นานปัญญามันจะเกิดปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ความจริงเลยว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตใจไม่ใช่ตัวเรารูปนามนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราที่ไหนเลยเนพะื่อจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนเป็นพระโสดาบันได้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 นะเพ่งอยู่เพ่งจิตอยู่เฉยๆ่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรเั้นเวลาที่เราจะวัดความสําเร็จของการปฏิบัติเนี่ยเราต้องวัดทีเผลอว่าตอนเผลอๆนี่ยตอนกำลังโมโหเนี่ยนะกําลังกูอย่างนี้เลยวะคําคว่ากูขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกมีกูจริงๆนะนะแต่ถ้าเขาไม่โมโหนะบางทีครูบาอาจารย์ก็ช่วยให้โมโหเนะนีดีเหมือนกันบางคนนึกว่าได้ธรรมะ บอกดิฉันไม่มีความโกรธแล้วนี่ระดับพระนาคาเลยนิฉันไม่มีความโกรธแล้วท่านสวนเลยอีตอแหลเ <c oughs> ท่า น, นั้นนะต่อพื้นเปรี้ยงลุกเลยพระปากจัดอย่างนี้ไม่นับถืออีกแล้วเดินโป้งโป้อ ง, ปอ ง, ปองออกไปออกไปนอกวันแล้วนึกได้ว่า้นี่โกรธนะท่านใช้วิธีนี้เหมือนกันนะบางทีท่านด่าวหลวงปู่ดูลย์ก็เคยมีพระองค์หนึ่งทั้งชีว่าท่านเป็นพระอรหันต์แก้ไงก็แก้ไม่ตกแก้อยู่หลายวันนะสุดท้ายหลวงปู่ดูลใช้ไม้ตาย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 เราปูไม่ว่าอะไรหรอกนะที่จริงก็คือภานาแล้วมันพลาดนะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราภาวนานะเราเรารู้สึกว่าเจ๋งแน่เราว่ารอบเนี้ยใช้สังเกตเอานะพยายามสังเกตตัวเองหลวงพ่อนั้นไม่ค่อยอยากบอกหรอกบาที่บอกให้แก้ให้นะโกรธเราก็มีนะมีพระบางองค์เนี่ยโอ้บรรลุโสดาบนะันแล้วผมได้โสดาล้คนโน้นรับรองคนนี้รับรองหลวงพ่อจะว่ายังไงหลวงพ้ารับรองไม่ได้หรอกหลวงพ่อไม่ใช่พระพุทธเจ้า ท่านไปดูสิว่ามีตัวมีตนไหมไม่มีผมดูมาตั้งนานแล้วไม่มีหูตาเนี่ยอย่างนี้เลยนะแล้วโอ้น่ากลัวเว้ยนะเออท่านท่านท่านว่าไม่มีแต่ผมว่ามันน่าจะมีนะเข้านั้นน่ะโกรธเลยนะอย่างนี้ก็มีนะเพราะมันช่วยตัวเองให้มากหน่อยจะได้ลดความเสี่ยงที่จะโกรธหลวงพ่อนะสังเกตเอาใช้ความสังเกตเอาอะไรอะไรสู้สังเกตไม่ได้อย่าไปเข้าข้างตัวเอง หลวงพอก็เห็นใจนะเราภาวนาเราก็อยากได้มากผลทุกคนเลยใช่ไหมถ้าไม่คิดว่ามากผลมีจริงพิภาวนาหาสวรรค์วิมานเลยก็ถูกนะภวานาเอาสวรรค์เอาวิมานนะก <c oughs> ็ไม่มีมากผลนี่เราก็คิดว่ามากผลนิพพานมันมีเราก็อยากจะได้อยากจะได้มันก็มีการลุ้นใช่ไหมมีการลุ้นบางที่นะพวกเราระมัดระวังนิดหนึ่งบางที่เข้าไปนะไปภาวนากับเขาแนละ้วอาทิตย์เดียวเขาก็ให้โสดาแล้ว ไปตือได้สองอาทิตย์นั้นก็ได้สกทาขาเลื่อนให้ด้วยเด้ยนะพอเป็นพระรหันต์แล้วว่าหลังกิเลสเกิดนะั้นลดลงมาเป็นโซดาใหม่นะอย่างเนี้โอ้โหเราก็จะปลืม้มมีเงินมีทองก็ตูนหัวให้เขานะแล้วหลบรื้มแล้วเราได้เป็นพระอริยะต้องไม่เห็นแก่ตัวลนะมีเงินเราเอาไปให้อาจารย์ให้หมดเลยนะอย่าไปเชื่อง่ายๆให้สังเกตใจตัวเองวัดใจตัวเองวินยูชนต้องรู้ด้วยตัวเองนะสังเกตเอา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 แล้วก็จะแยกรูปนามออกมานะเห็นรูปประธรรมเห็นนามธรรมทํางานไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใช้ได้เหมือนกันหมดนี้พอภาวนาไปช่วงหนึ่งแล้วก็รู้สึกบรรลุแล้วก็มัดทดสอบตัวเองนะหลวงพเคยทดสอบถึงขนาดเนะี่ยตอนนั้นนึกว่าได้ภานัคขาถ้านะเป็นโยมนะขนาดเป็นโยมยังคิดว่าภานักขาวนะไปยืมหนังสือโปของเพื่อนมาอ่าน ถายุนี้เขาว่าในอินเทอร์เนต็ตก็มีใช่ไหมบอกไม่ต้องไปยืมนี่สมัยนั้นไม่มีหรอกอินเทอร์เนต็ตนะคอมพิวเตอร์ยังไม่มีเลยเพื่อนคนเนี้ยมันมีหนังสือโปมากมันชวนหลวงพ่อดูมันอานหลวงพ่อไม่ดูเข้าแต่วัดนะวันนั้นเราก็ไปยืมมันมันนั้ดีใจมากเลยปลื้มปิติโอโ้มันก็พวกเดียวกันล้วว่าในที่สุดตะบะแตกแล้วไปยืมมานั่งดูเอามาดูที่บ้านนะเฉยใจนี่เฉยเลย เอาไปคืนขอเล่มใหม่มาดูอีกนะมันนับปลื้มมากเลยมีเป็นตู้เลยสุดท้ายดูอยู่อาทิตย์หนึ่งนะใจมันก็เพิ่มขึ้นมาผู้ผู้หญิงคนนี้สวยใจก็เพื่มขึ้นมาใจก็เพื่มปุ๊บดีใจนะไม่ใช่จริงๆรงิไม่ใช่เนี่ยทดสอบนะอะวิธีทดสอบของหลวงพ่อนละโหดมากเลยเพราะเราอยู่ห่างครูบาอาจารย์เราต้องสังเกตกิเลสตัวเอง ไปส่งกันบ้านหลวงุู่เทศนะท่านกระชมเลยนะว่าดีฉลาดท่านหัวเรา้องหลวงปู่เทศหัวเราอหลวงปูดุลไปส่งอีกทีหนึ่งหลวงปูดุลไม่เค่หัวเราอนหดุลท่านจะหน้าตาเฉยๆฉยนานๆจะหัวเราอทีหนึ่งนะแต่ว่าไปเล่าให้ท่านฟังแล้วเออดีแล้วที่ไม่เชื่อมันจะตายหลวงปูดุลจะอย่านั้นไม่มีโอ้โลมปฏิโลมไม่มีนะมีแต่ฟันเปรี้ยงเปรี้ยงเลยนะถ้าหลวงปู่เทศเนี่ยจะค่อยๆประหนี่ค่อยๆอะไร มบางคนได้ชอบไปนั่งตาลอยใส่ท่านนลปลื้มมาคืนไปตาลอยใส่หลวงปู่ดูลย์ทุคนท่านคงเดินหนีไปะท่านไม่เอางันเวลาเราวัดกิเลสนะวัดตอนที่ใจเป็นปกติวัดตอนที่ใจเราธรรมดาธรรมดาอยไปมารว่างๆอยู่แล้วไปดูกิเลสไม่มีให้ดูหรอกเราคิดว่าบรรลุมรรคผลชันนั้นชั้นนี้นะอ่ะวันนี้เทศแค่นี้ก็พอแล้วนะเทศตั้งแต่ต้นจนถึงมรรคผลแล้วนี่นะจะเอาถึงนิพพานไหม เอาให้ได้มาผลกับเรานิพพานก็ว่ากันทีหลังนิพพานนะโซดาก็ไม่แจ้งนะไม่แจ้งพรนิพพานสักพทาคาพระนาคาก็ยังไม่แจมแจ้งหรอนะกนั่งภาวนากันนานครูบาอาจารย์ก็สอนมานะเอาไว้พวกเราได้เยอะๆเราเดี๋ยวจะค่อยบอกนะอส่งกันบ้าน น, นักัาศการคาหลกงท่องอยากได้รับความเมตตาแนะนำค่ะคื อ, อพยายามดูจิตนะคะ ทีนี้อย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ตอนจับฉลากเนี่ยค่ะตอนแรกคุณเขาบอกว่าสิบสองเราก็ดีใจนะคะเราก็รู้ว่าดีใจพอเห็นว่ามีคนมาลงอีกเนี่ยนะคะใจมันก็เริ่มมีความรู้สึกว่าไม่ไม่อยากให้มันเกิดเช่นนั้นะคะแล้วมันก็แรงขึ้นแรงขึ้นทีนี้มันก็มีใจดวงหนึ่งเนี่ยมันก็พาก็เออเ น, นี่ยถ้าเดี๋ยวได้ถามนะก็จะถามหลวงพ่ออย่างนี้นะคะแล้วไอ้ความรู้สึกที่มันกระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงที่มันไม่เท่ากันเนะะี่ยค่ะเออ มันจะคลายลงไปเมื่อเมื่อเหมือนกับว่าเราคิดเรื่องอื่นแต่เรามีความสังเกตว่าไอ้ความกับเพื่อนแบบที่อยากหรือไม่อยากแบบเนี้ยมันจะตกตะกอนอยู่ในใจเราแล้วมันมักจะแสดงตัวออกมาตอนที่เราเผอแล้วมันจะทําให้เราเกิดกรรมค่ะกายกรรมหรือว่าจีกรรมสู้ซึ่งตรงนั้นหลายๆครั้งเนี่ยมันอาจจะทำให้เราผิดศีลได้อะค่ะแต่ทีนี้มันไม่มีกําลังพอที่จะทําให้มันไม่มีไอ้ปรจีกรรมแบบนั้นนะคะให้ดูบ่อยๆนะถ้าเห็นได้อย่างนั้นน่ะดีแล้วมันทุกอย่างมันออกมาจากที่นี่แหละ ก็นะไหวขึ้นมาอย่างนี้นะทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์ละก็ผุดขึ้นมาจากตรงนี้สุขทุกข์ทางใจนะถ้าสุขทุกข์ทางกายมันก็ไปอยู่ตามกายแต่ถ้าทางใจก็ผุดขึ้นที่นี้นะเราก็ดูไม่ใช่เพื่อว่าไม่ให้กระเพื่อมนะไม่เฉพาะแค่อยากแล้วกระเพื่อมนะแค่กระพริบตาพอกระเพื่อมแล้วละ่ะแค่กระดุกระดิกนิดเดียวก็กระเพิ่มแล้วละก็คือเมื่อไหร่มีการกระทบเมื่อนั้นก็กระเถือนกระเพื่อมขึ้นมา ทางตาหูจมูกลิ้นแก่ใจทำตัวนี้ก็เพิ่มได้ตลอดถ้าเราเห็นได้ตลอดนะเราจะเห็นในวัฏฏานี่มีแต่ทุกข์นะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปมีแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นภาระทางจิตทั้งสิ้นเลยนะไปดูเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่ดูมากๆแล้วเหนื่อยทําความสงบพอมีแรงแล้วกลับไปดูต่อ ตรงนี้ค่อยากได้รับความกรุณาแนะนำค่ะเรื่องความสงบเนี่ยค่ะคือคอพอทำแล้วนะคะถ้ามันไม่ฟุ้งมันก็หลับอลค่ะมันเลยทำให้จิตเราไม่มีแรงนะคะคนที่ฟุ้งมากเนี่ยเวลามาทำสมธาธแล้วมันจะหลับเป็นธรรมชาตินะงั้นเราพยายามซอยเวลาของการปฏิบัติให้สั้นๆชั่วโมงหนึ่งห้านาทีอะไรเงี้คยค่อยๆเก็บ ๆ, ๆถ้าไปรวมฟุ้งไว้เต็มวันแล้วนะไปทำทีเดียวหลับเลย ถ้าเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยใจจะมีกำลังขึ้นมาอย่างนี้ใกล้ๆกับฟ้าพอจะแยกกายแยกใจได้บ้างแยกอยู่แยกอยู่นะแต่ใจไม่เข้าบ้านยังอยู่ข้างนอกดูออกไหมค่ะใช่ค่ะรู้รู้แล้วก็ไม่เป็นไรหรอกขอบพระคุณค่ะกาบรัศการหลวงพ่อครับก็เป็นการส่งกันบ้านครั้งแรกครับก็ฟังซีดีมาประมาณสองปีครับ ข้สิ่งที่ปฏิบัติมาก็ปฏิบัติตามรูปแบบบ้างกับในตอนกัางคืนก่อนนอนนะครับหลังจากนั้นก็จะในประจําวันก็จะดูอิเดียบทย่อยบ้างครับแล้วก็ดูสิ่งอารมณ์ที่มากระทบอยู่เรื่อยๆครับก็อยากจะกลับเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ทํามานั้นถูก ต, ต้องหรือไม่ครับถูกแล้วนะฝึกไปเรื่อยสะสมไปอย่างนี้เพ่งมากไปครับถ้าเราพอวนาแล้ว ร, รู้สึกอึอดอนะัดแสดงว่าเราจงใจ จงใจแล้วก็เพ่งอให้รู้ทันใจที่มันโลรคถ้ารู้ทันมันจะคลายออกไม่เพ่งวิธีเพ่งจนคอเกล็ดนะแล้วเพ่งแล้วร่างกายเกร็งไปด้วยแล้วก็ทำความรู้สึกเข้าไปเีจะไล่ตั้งแต่หัวถึงเท้าเราเนี่ยไล่ไปมันเกร็งอยู่ที่คอก็ลงมาที่คอแล้วทําใจสบายให้มันผ่อนคลายะลงไปตรงไหนไล่ขึ้นเลยร่างกายก็ไม่เกร็งทางจิตใจก็ใช้วิธีรู้เอาว่ามันเกร็ง ก็ค่อยกลออกซะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะขันธ์ยอแยกแล้วละแต่ว่าวันนี้มันตื่นเต้นมากวิพิงแรงครับตื่นเต้นมากครับก็ที่ทํามาถูกต้องแล้วไหมครับอยากขอกันบ้านหงพอครับแล้วก็จะถึงฐานรู้รู้ทันจิตไปะครับจิตเคลื่อนไปก็รู้จิตเคลื่อนก็รู้แต่ไม่รักษาอย่างนี้รักษานะครับอย่างนี้รักษาไม่รักษาจิตเคลื่อนเรารู้ไปครับ ในมรด ก, การค่ะหลวงพ่อก็หนูไม่แน่ใจว่าหนูปฏิบัติถูกหรือเปล่าค่ะในชีวิตประจำวันก็ใช้วิธีดูจิตแต่ว่าอมันจะรู้สึกตัวเฉพาะเวลาที่เวลามีโทสะเกิดหรือเวลามีเออ่ความหลงเกิดแต่ตอนอที่มันหายไปเนี่ยจะไม่รู้สึกตัวตอนหายไปตอนหลงนะตอนนั้นแหะเราหลงมันก็เลยหายไป ตอนที่โทรศัพท์เกิดทำไมเห็นง่ายโทรศทเป็นของที่ดูง่ายที่สุดโทรศัสเนี่ยดูง่ายที่สุดเพราะเป็นของหยาบที่สุดเฉะั้นปกติเวลาเราดูจิต ด, ดูใจเนียตัวแรกๆที่จะเห็นก็คือโทรศัพท์ราคาละเอียดขึ้นไปโมหายากที่สุดโมหาเนียใจมันเคลื่อนไปไหลมันฟุ้งไปดูยากแล้วหนูต้องเห็นตอนที่มันหายไปด้วยไหมคะ เห็นเท่าที่เห็นได้ถามว่าควรจะเห็นแค่ไหนก็เห็นตั้งแต่เกิดจนดับแต่ถามว่าในความเป็นจริงเห็นได้ไหมเห็นได้แค่ไหนก็ออกแค่นั้นตอนแรกๆมันไม่เห็นดับเห็นดัวเกิดขึ้นมาแล้วไม่ทันจะดับเลยหนีไปคิดเรื่องอื่นต่อละเพราะว่าใจเราฟุ้งมากเปลี่ยนอารมณ์เร็วไอ้ตัวนี้ไม่ทันจะดูให้จบเลยไปเริ่มตัวใหม่ละเหมือนดูหนังตัวอย่าง mm hmm. ดูไปหน่อยก็เปลี่ยนดูไปก็เปลี่ย น, ด, ยนดูไม่จบสักเรื่อง งั้นต่อไปใจมีสมาธิมากขึ้นมันก็ดูได้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเวลาปฏิบัติรูปแบบนะคะหนูพยายามกลับบ้านแล้วก็นั่งสมาธิให้ได้เวลาประมาณสิบห้านาทีแต่ทีนี้ก็จะมีความรู้สึกคืออาจจะใช้วิธีดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอะคะ่ะแต่ทีนี้ก็จะรู้สึกว่ามันมัวมัวมแล้วบางทีก็จะแน่นแน่นที่ท้องอมไม่แน่ใจว่าเกิดจาก ความเหนื่อยหรือว่าไปเพ่งค่ะเราทำให้หลวพ่อ ด, ดูสิอย่างนี้เพ่งนะอย่างนี้เพ่งมากตปเวลาที่เราจะทากรรมฐานเนี่ยจิตเราเป็นยังไงนะเราใช้จิตอย่างนั้นเลยเราไม่ไปดัดแปลงจิตให้นิ่งๆก่อนอนเราใช้จิตธรรมดานี่แล้วก็รู้สึกในอารมณ์นั้นไปเลยไม่มีการดัดแปลงแล้วมันจะพอดี ถ้าเริ่มต้นก็ไปดัดแปลงแล้วมันจะกลายเป็นเพ่งไปหมดเลยแล้วหนูหนูดูจิตนี่คือถูกจริตแล้วใช่ถูกแล้วล่ะแต่หนูก็รักสวยรักงามนะแล้วก็ไม่ทิ้งกายด้วยนะมีกายรู้สึกในร่างกายด้วยก็ได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ห้ามอะไรหรอกคนดูจิตเนี่ยต้องพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นพวกรักสวยรักงามรักสุขรักสบายเนี่ยก็ดูกายด้วยหนูดูกายดูจิตได้ทั้งคู่แหละ มันก็ปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปแล้วค่อยรู้ทันจิตใจนะาจิตใจไม่มีแรงก็รู้จิตใจมีกําลังขึ้นมาก็รู้รู้สึกไหมว่าใจไม่ค่อยมีแรงรู้สึกค่ะถ้าใจไม่มีแรงทําอะไรใจไม่แรงทาสมถะทําสมถะอะไรไม่เป็นโยคุโต้โยพุโธเล่นๆไปหรือสวดมนต์สั้นๆสวด ไ, นะไปเรื่อยนะโมตัสสะพระคุวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวดไปเรื่อยๆไม่ได้หวังว่าจะต้องสงบนะ หรือจะแผ่เมตตาไปเรื่อยก็ได้เมตตาผู้นางอรหังเมตตาแต่ไม่บังคับจิตให้สงบในจิตค่อยสงบเองแล้วจะได้มีแรงแรงไม่พอพุ้งไปกขอบคุณค่ะมัสการหลวงพ่อค่ะฟังซีดีหลวงพ่อครั้งแรกประมาณสามปีที่แล้วอะค่ะแล้วก็ส่งกันบ้านล่าสุดหลวงพ่อบอกว่าใหม่ๆให้บังคับไว้นิดหน่อยนะคะ แต่ว่าพอปฏิบัติมาเรื่อยๆเหมือนมันบังคับไม่ไม่เลิกอะค่ะแล้วมันมันจะเครียดเยอะก็เลยถ้าเครียดแสดงว่าบังคับมากไปไม่ได้บังคับนิดหน่อยแล้วคือพยายามจะหาเครื่องอยู่ที่จิตให้รู้ให้รู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านอะใจที่อยากหาที่อยู่ใจที่อยากจะดีให้รู้ทันมันไป เพรใจเราดิ้นรนใจมันหิวโหยความดีมันก็ดิ้นรนแล้วดิ้นรนใจก็อึดอัดหลวงพ่อมีอะไรแนะนําเพิ่มไหมคะเพราะว่าเหมือนการปฏิบัติก่อนลืมไปลืมซิลืมเนี่ยใช้ใจอย่างนี้นะใจอย่างนี้ยพอดีมากกว่าเนี้ยเกินจริงแล้วเนี่ยคือใจที่เป็นผู้รู้แล้วแต่ตอนเนี้เริ่มเป็นผู้เพ่งแล้วรู้สึกไหมค่อยๆไปรวบรวบรวบเข้ามา แต่ เ, เม่อกี้เพาอบอกอลืมเลยลืมปุ๊บนะเรารวบไว้นานแล้วพอปล่อยปุ๊บนาจะพอดีที่บอกว่าเบื้องต้นนะเก่งไว้ก่อนแล้วพอปล่อยนะมันจะพอดีแต่ถ้าเบื้องต้นจะเอาให้พอดีพอปล่อยนี่ฟุ้งไปเลย น, นหัดปล่อยหัดปล่อยด้วยการลืมการปฏิบัติเป็นช่วงช่วงยังควรทําในรูปแบบไหมคะทำตามไปทําเล่นๆทําไม่ไม่หวังว่าจะได้อะไรทําบูชาพระพุทธเจ้า ถ้าทำเพื่อจะเอาก็ช้าทำไม่เอาอะไรทำบูชาพระไม่ได้ผลดีใจไม่โลภใจไม่โลภ่ไม่ไปเค้นจิตถือว่ามาถูกทางไหมคะหลวงพอ่อถูกสิลืมการปฏิบัติซิเจ็นไหมมันไม่ยอมปล่อยเนี่ยเรารู้ทันอย่างนี้มันจับไหมต้องลืมจริงๆนะถ้าลืมแล้วมันปล่อยแน่นอนเพราะอะไรเพราะจิตก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน งั้นเวลาที่จิตล็อกเนี่ยทําไงต้องแก้อยังไงไปแก่ไปทําไมลืมมันไปเลยไปกระทบอารมณ์เอาใหม่ง่ายกว่ากันเยอะเลยขอบคุณค่ะของหนูมีปัญหาคือหนูพยายา ม, มจะแก้มันนะหนูมไม่ต้องแก้ลืมไปไปแล้ ร, รู้สึกตัวใหม่เอาว่ามาจะกรับมาพิธการค่ะหลวง <มา S 2> พ่อคะจาก<ะ>อเมริกาหรือใช่ค่ะท่านก็ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งหงนึ่งพ่อนาเก่งขึ้นมากแล้วล่ะค่ะก็ กลับไปก็ที่ปฏิบัติก็คือแบ่งเวลาช่วงเช้านะคะนั่งสวดมนต์ไหวพระนั่งสมาธิแล้วหลังจากนั้นก็จะไปขี่จักรยานที่ที่จิมค่ะแล้วก็ดูกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูตรงนั้นให้เป็นประโยชน์แล้วก็ใช้ชีวิตแม่บ้านนะคะทั่วๆไปแล้วก็ฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วก็ล้างจานทํางานก็จะเห็นกายอะไรเงี้ยเคลื่อนไหวไปนะคะภาวนาดีนะครับแต่ตอนนี้เพ่งอยู่หน่อยหนึ่งดูออกไหมค่ ะ, นะคะ ก็ชีวิตก็ใช้ปกติจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีโอกาสได้ไปถวายเพนห้าสิบวันนะคะแล้วก็ทําบุญให้คุณป้าที่เสียไปปรากฏว่ามีเรื่องเกิดขึ้นที่วัดนะคะก็ลูกสาวไปด้วยกันเขาก็ร้องไห้มาเขาบอกว่ามีคุณป้าคนหนึ่งมาต่อว่าว่าลูกสาวคนเล็กที่เป็นออทิสติกนะคะไปทําของเสียหายที่วัดอืตอนนั้นเห็นความโกรธมันผุดขึ้นมามขึ้นมาทันทีเลยค่ะความโกรธ เสร็จปั๊บเราจับได้ทันทีว่าความโกรธเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวแม่แม่จะไปดูแลตรงนั้นเดี๋ยวไปถวายอาหารเพลนกับพระท่านก่อนหลังจากนั้นก็ถวายเพลนเสร็จแล้วก็ทานอาหารร่วมทานอาหารกับเพื่อนๆที่ไปด้วยกันเพลินได้เห็นคุณป้าคนนั้นพอดีที่ในในออฟฟิศนะะก็เข้าไปกราบมีพระท่านนั่งอยู่ก็เลยขอกราบขอขมาว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นยังไงแล้วก็ขอเขามาขอขอโทษคุณป้าที่เขาดูแลวัดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยลูกสาวคนเล็กเนี่ยไม่ได้มีเจตนานะคะเพราะว่าเขาเป็นออทิสติกแต่สิ่งที่ผิดก็คือไม่มีโอกาสที่จะได้ไปดูแลตลอดเพราะว่าเราไปถวายอาหารพระท่านอยู่ hmm. ก็บอกว่ายังไงก็ตามความเสียหายเนี่ยก็จะมาถวายของอะไรเป็นต่าง คือตอนนั้นคุณป้าคุนั้นเขาโกรธมากค่ะพอเราพูดปั๊บเนี่ยเราเห็นคือเราไปเราไปดูจิตเขาคือเราเห็นเลยว่าเขาอ่อนลงไปมากค่ะแล้วก็มีความรู้สึกจิตกลับมาหาที่ตัวเองบอกโอ้รู้สึกดีใจว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนสถานการณ์นะคะได้แล้วก็กราบนึกถึงหลวงพ่อ ด, ด้วยนะคะว่าตอนนั้นถ้าไม่ใช่ธรรมะของหลวงพ่อด้วยเนี่ยของพระเจ้าค่ะแล้วก็่ะ แ, แล้วก็พอสุดท้ายเขาบอกว่าเนี่ย ธรรมะที่เกิดเนี่ยถ้าไม่ใช่พุทธเจ้าก็คงจะไม่มีตรงนั้นคือตอนนั้นเนี่ยมองไปมันเห็นตัวเองยืนอยู่นะคะแล้วก็เหมือนปากเราพูดแล้วเรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่ออกไปเนี่ยเป็นเรื่องของจิตนะะจิตที่ที่เกิดที่พูดออกมาไม่ได้กายพูดนะะจิตเป็นคนพูดออกมาแล้วก็รู้สึกสว่างแล้วก็รู้สึกว่าทราบซึ้งว่า ถ้าเราไม่ได้มาเดินเอาเอากายเอาใจเรามาในทางนี้เราก็คงจะไม่มีวันเนี้ค่ะหลวงพ่อก็พส่งกันบ้างเท่านี้ละกันค่ะดีแล้วรอลาไปสุขแล้วกราบขอบพระคุณค่ะแต่ถ้าใจไม่ถึงฐานก็รู้เอาน ะ, ะตัวตัวนี้เป็นตัวใหญ่ตัวปัญหาหลักตัวหนึ่งพอเราแยกธาตุแยกขันได้เจริญวิปัสนาได้เนะี่ยถ้าสมาธิไม่พอจิตเคลื่อนออกไปจะเป็นวิปัสสนุะจะสบายโล่งว่างไป ถ้ามันออกข้างนอกเราก็ย้อนกลับเข้ามารู้สึกในร่างกายแค่เข้ามาแล้วก็ใช้ได้นะต่ อ, อไปนักนสการครับผมว่าไม่เคยสมการบ้าน ม, มาครั้งแรกครับอครั้งแรกที่ที่เห็นก็คือว่านั่งฟังซีดีของเราพ่ออยู่ในรถแล้วสภาก็เห็นแบบโกรธแล้วก็ลงไฟก็ลุกขึ้นมาจากกลางปขก<ด>ก็ดับเออปีนี้ก็เลยนั่นก็ ตอนนั้นก็เห็นก็นรู้ว่าเออมันเกิดขึ้นเองดับได้เอง อ, อ, อย่างนั้นก็ชีวิตก็เปลี่ยนคะัก็คือตามรู้ตา ม, มาดูมัาเรื่อยแต่ทีนี้มีข้อสงสัยคือคือตัวเองเขาได้ว่าเปนคนคิดมากก็พยายามจะดูจิตไปเรื่อยๆนะแต่บางครั้งหลายๆครั้งที่แบบว่าพอเปลี่ยนท่าเดินหรือว่านั่งนึ่งก็เหมือ น, นรู้ขึ้นมาเองเหมือนกัน อะไรนะหมายถึงว่ารู้เหมือนก็รู้รู้ว่ามีสเตจรู้ขึ้นมาเองว่าสดเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู่รู้เองเลที่นี้เคยฟังเสียีของหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าพยายามหากรรมาถานหรือว่าหาอะไรทุกอย่างเช่นดูจิตก็ดูจิตดูกายก็ดูกายไม่ควรจะสับไปสับมาในงา น, นจะเดิ่นช้าก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยควรจะดูจิตหรือจะดูกายดีคือไม่ใช่ว่าห้ามดูจิตแล้วห้ามดูกายนะครับหมายถึงตัวไหนมันเด่นชัดนะ่ เราใช้ตัวนั้นเป็นหลักไว้อีกตัวหนึ่งมันก็รู้เป็นของแถมไปแต่ถ้าวันนี้จะดูกายวันนี้จะดูจิตจะฟุ้งซ่านแต่ถ้าจิตมันเด่นเราก็รู้จิตไปวันนี้ดูจิตไม่ได้เราก็ดูกายไปคือไม่ยังเป็นต้องต้องโฟกัสอะไรอันหนึ่งไม่ไม่โฟกัสแต่หัดใหม่ๆก็หัดดูอันเดียวก่อนเพราะหัดทีเดียวหลายอย่างดูยากแพอเราชำนาญแล้วมันดูเอง มันมันรู้ขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้นมันอย่างนั้นใช้ได้ละมันรู้เองออย่างหลพรอหัดนะที่ว่าดูจิตดูจิตเนี่ยพวกเราหัดเนี้ยต่อไปกระทั่งนอนหลับนะคลิกซ้ายพลิกขวาอย่างรู้เลยนะมันรู้กายด้วยนะไม่ใช่รู้แต่จิตหรอกมันาัตโนมัติที่นี้หลังจากครั้งแรกที่เห็นดวงไฟลุกขึ้นมาแล้วก็ดับไปฮะนั้นมันรู้เองว่าเออมันทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันต้องคิดเพิ่มไม่ไม่มัเมืนอยากมันอยากดีเยอะไป Oh. มันอยากรู้อยากเห็นมากไป uh huh. ดู uh huh. ไปตามสบายสบายจริงจังไปกราบนมสัส ก, การถหลวงพ่ อ, uh huh. อ, อหนูปฏิบัติที่บ้านมาประมาณหนึ่งปีอะค่ะโดยการดูนั่งสมาธิแล้วก็ดูท้องพองยุบปะค่ะแต่ว่าพักหลังมานี่คือหนูก็เพิ่มด้วยการ สวดมนต์เล็กน้อยตอนเช้าแล้วก็เดินจงกรมอีกประมาณยี่สิบกว่านาทีอะค่ะคือช่วงนี้ค่ะประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ยเวลาหนูนั่งสมาธิแล้วหนูมักจะหลับอะค่ะไม่เกินห้านาทีสิบนาทีหนูก็จะแบบบึ้บบึ้บบ้บเขาไปฝันเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่ามันเหนื่อยไปสินะนนกลางวันเนี้ยทำเป็นช่วงๆไปสั้นๆชั่วโมงทำสักห้านาทีอะไรเงี้ยเก็บเก็บเก็บไปพอใจเรามีแรงนะ กันคืนไปนั่งพอน้ำทำง่ายถ้าเราฟุ้งมาตลอดนะคะคืนก็หลับใจมันเหนื่อยเป็นธรรมดาปกติแต่ถ้ามันจะหลับจริงก็ช่างมันให้มันหลับไปให้มันได้พักไปออกมาแล้วสดชื่นมาดูต่อค่ะแล้วก็อีกคำถามเนื้อค่ะหนูหนูสังเกตว่าตัวเองอะคะ่ะเวลา อ, อ, อยู่ระหว่างวันนะคะอยู่ที่ทำงานหรือว่าอะไรแบบนี้เวลา หนูจะมีความรู้สึกว่าหนูชอบหลงออกไปนานนะคะแล้วก็ไม่ค่อยกลับมาเวลาทำงานก็ส่วนทำงานนะอย่างถ้าทำงานที่ต้องคิดเนี้ยมันจเจริญสติไม่ได้อยู่แล้วละแต่ถ้าอยู่เฉยๆก็ใจลอยไปก็ต้องมีเครื่องอยู่ให้เคยชินไหมกลับมารู้ลมหายใจกลับมาอะไรก็ทำไปฝึกให้มันชินเวลาไม่มีอะไรจะคิดไม่มีอะไรจะทำได้กลับมาอยู่ที่เครื่องอยู่ของเราถ้าไม่งั้นจะหลงยาวเป็นทุกคนนะี ต้องมีเครื่องอยู่นะเจะได้ไม่หลงนานวันนี้ใช้ได้อยู่ไม่ต้องตื่นเต้นเยอะหรอกเพาะนานดีอยู่การนมั ส, ก, ส ก, การของค่ะเพิ่งเป็นครั้งแรกที่ส่งกันบ้านนะคะแล้วก็ครั้งแรกที่มาที่นี่ด้วยเหมือนกันค่ะอตอนนี้ตื่นเต้นค่ะก็สิ่งที่กำลังทําอยู่ก็คือพยายามที่จะดูกายแล้วก็ดูจิตทั้งในระหว่างทํางานแล้วก็ในปัจจุบันค่ะ คำถูกแล้วนะใช้ได้แล้วลนะถูกเป๊ะๆ เ, เลยน้มัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูเพิ่งได้รับฟังซีดีมาสองสมเดือนนะคะแล้วก็ตอนนี้ฝึกปฏิบัติ ด, ดูสภาวะจิตนะคะก็จะเห็นตอนที่เรามีอะไรมากระทบเรารู้สึกโมโหอะคะ่ะ แล้วคราวนี้ก็คือพอมาโหมันหนูมีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนมีความคิดสองอย่างเข้ามาค่ะบางทีมันก็มีความคิดที่แบบความคิดดีๆให้เราหยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีมันก็เป็นความคิดที่มันแบบจะทําให้เรายิ่งมโหต่อไปอะค่ะแล้วคราวนี้หนูก็ลองแบบไม่โกรธดูอะค่ะลองพยายามปล่อยแต่ถ้าเกิดว่าความคิดที่มันดีมันก็จะหายไปอะค่ะความรู้สึกแบบนั้นแต่บางทีมันก็ไหลไปเรื่อยๆเลยอะค่ะมันก็โมโหไปเรื่อยๆต่อ แต่ว่าพอพอฝึกไปเรื่อยๆอะ่ะมันก็เหมือนแบบพอเรารู้สึกมันก็จะค่อ ย, อยๆหยุดนะคะ่ะแต่ว่าเหมือนพอล่าสุดอะ่ะพอหนูดูไปเรื่อยๆแล้วมันมันมีอะไรมากระทบต่ออีกอ่ะคะ่ะมันก็หลุดไปเลยสติก็ไม่มีเลยอ่ะคะ่ะก็ถือศีลไว้ก่อนตั้งใจว่าหลุดแล้วก็ไม่ไปทําร้ายใครนะไม่ไปว่าใครตั้งใจไว้งั้นก่อนหนูเป็นคนพื้นเดิมชีมโมโหห้ามไม่ได้หรอกมอโมโหขึ้นมานะ สติทันก็ดีสติไม่ทันก็สติแตกแล้วเท่านั้นแหลยธรรมดาแต่ค่อยๆฝึกไปค่อยตามรู้ตามดูรู้สังเกตไปอย่างนะเวลาเราโกรธทีไรใจมันทุกเนี่ยต่อไปเวลาโกรธนะไม่ต้องไปดูคนอื่นให้ดูใจของเราอันนี้ใจกาลังทุกข์อยู่ดูอย่างนี้นะใจไ ม, ไม่เอาเรื่องกับคนอื่นหรอกเพราะตัวเองกําลังแย่และเพราะว่าเวลาเวลารู้สึกก็คือมันจะรู้สึกแน่นๆอยู่ตรงหน้าอกนั่นแหละดูไปนะตัวเองทุกข์แล้วค่ะย้อนมาดูตัวเอง แล้วก็เหมือนปกติเป็นคนคิดมากอะค่ะหลวงพ่อเหมือนบางทีอย่างเงี้ยคือถ้าถ้าคิดเรื่องอื่นเงี้ยเหมือนเรานั่งอยู่เงี้ยบางทีก็แวบไปคิดเรื่องอื่นพอเรารู้สึกตัวมันก็กลับเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีเงี้ยเราไปแวบคิดเรื่องอื่นแล้วเหมือนเป็นเรื่องที่เราไม่ยินดีอะค่ะเป็นเรื่องที่เรายินร้ายแล้วพอกลับเข้ามาแต่ว่าใจของเรามันยังเหมือนแบบมันยั ง, ยงร้อนๆอนอยู่อะค่ะต้องโดนไปช่วงหนึ่งนะเป็นวิบาก คล้าย ๆ, ๆอยู่ในบ้านดีๆก็เห็นรถขยะผ่านหน้าบ้านกูวิ่งไปลากขยะเข้าบ้านบ้านก็ต้องเหม็นหน่อยละถ้าอย่างนั้นก็คือสมมติว่าถ้าหนูรู้สึกว่าพอหนูรู้สึกว่าแบบเหมือนใจเริ่มร้อนแล้วอย่างนี้ก็คือควรแผ่เมตตาแล้วก็พุทธโธถ้าแผ่เมตตาพุดโธก็คือเราใช้สมถะมาช่วยนะถ้ามันไม่ไหวก็ใช้สมถะถ้ายัางไหวแล้วก็ดูไปนี่มันทุกข์อีกแล้วดูดูทุกข์ไปเรื่อย กรดทีไรก็ทุกทุกทีไม่ดูกลับน้มาสการหลวงพ่อค่ะคือก่อนหน้านี้เออหายใจสั้นพอหายใจสั้นรู้สึกที่ไปจมูกส่วนใหญ่จะรู้ตอนหายใจออกเราก็รู้สึกตัวแต่ว่าเวลาที่มันเห็นนี่ยมันเหมือนอยู่ใต้เมฆเหมือนมีหมอกแล้วก็เห็นแล้วมันก็ไม่ขาดคํานี้ก็เลยปรับเป็นหายใจลึกขึ้นให้ให้มันหลุอยู่ที่อก พอหายใจอยู่ที่อกแล้วเนี่ยเหมือนเห็นชัดขึ้นมากเหมือนเห็นฟ้าใสาๆอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นแต่ว่ามันจะหลงนานอืมไม่ยังยังยังยังเห็นไม่เร็วเท่าตอนแรกอะคะ่ะหลวงพ่อหายใจยาวไว้ก่อนก็ได้นะพระเจ้าสอนสนะสอนหายใจยาวก่อนหายใจยาวนะใจมันจะสว่างสวัยขึ้นมานะไม่มืดไม่มัวหายใจแล้วก็ลมมันจะค่อยๆสั้นข้นตอนที่ใจเราสงบเนี่ยลมจะสั้นๆๆ น, น, น, นะั แต่พวกใจร้อนจะหายใจฟึดฟึดฟึดฟึฟึนั้นมันใจร้อนหระใจสบายใจเยาวๆแล้วบางทีก็พอหายใจลึกขึ้นมันก็แวบหนึ่งมันก็กลับมาที่ปลายจมูกอีกละมันชินแต่ว่าถ้าใจมันสงบนะแล้วมาอยู่จมูกเราก็รู้เนอรู้ตัวอยู่ก็ใช้ได้นะ อ, อย่างหลวงพ่อหายใจพุ่มก็เข้ามาจมูกแล้วแล้วมันชํานาญขึ้นอะ หลวงพ่อแล้วรู้สึกว่าจิตมันฉลาดมากคือมันจะเอาจุดอ่อนของเราโผมาบ่อยๆใช่ใช่กิเลสฉลาดมากเลย <หา S 2> นะกิเลสฉลาดมันจะเลือกเอาจุดอ่อนมาเล่นงานเราบางทีก็โกรธมันต่ออะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปด่ามันเหมือนแบบว่าเอ้ยอูบ ป, ปากอะไรอย่างเงี้ยครัหลวงพ่อกรธจะให้รู้ว่าโกรธโกรธซ้ อ, อนโกรธลอ ง, งไปเรื่อยๆรู้ปัจจุบัน แ ล, แล้วตอนนี้ภาวนาดีขึ้นดีขึ้นนะนะแต่รู้สึกร่างกายบ้างถ้ารู้สึกร่างกายบ้างเนี่ยมันจะไม่ค่อยมัวถ้าดูจิตอย่างเดียวแล้วพลังสมาธิเราไม่พอมุกทีก็มัวไปรู้สึกในร่างกายยืนเดินนั่งนอนหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไปตอนนี้ยังยังไม่แยกอะไรใช่ไหมค ะ, ะหนูยังไม่แยกอะไรใช่ไหมคะแยกขาดแยกขาดมีบ้างไหมคะมีมี นมาสการหลวงพ่อค่ะหนูไม่ส่งการบ้านกับหลวงพ่อมานานมากแล้วแต่ก็ปฏิบัติก็รู้สึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นเยอะพอสมควรก็ในชีวิตประจำวันหนูยังรู้สึกว่ามันมันดูจิตไม่ทัน ก, ก็ยังไม่ทันอยู่ส่วนในรูปแบบก็ ถนัดน่าจะถนัดรู้ลมหายใจะคะ่ะแต่ว่าเวลาที่จิตมันฟุ้งซ่านมากขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ทันเหมือนกันโดยจะสามารถใช้คำบริกรรมเพิ่มเพิ่มได้ไหมคะถ้าเอามันฟุ้งมากได้หาใจเข้าพูดหายใออกโทรไปแต่ว่าเคล็ดลับนะอย่าไปอยากสงบหายใจเล่นๆไปถ้าอยากสงบแล้วมันก็อึดอัดไม่สงบหรอก ส่วนมากเวลาเวลาปฏิบัติหลายครั้งก็จะรู้สึกว่ามีแต่เพ่งกับกับหลงใช่ไหมครับเพ่งอ่ะแต่ตอนที่หลงนะแล้วตรงที่รู้ว่าหลงตรงนั้นนะรู้พอรู้เสร็จแล้วจะกลับมาเพ่งอัตโนมัติเป็นทุกคนแหละอย่างตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูรู้สึกตัวได้สบายดีขนณะนี้เหรออืขณดนี้เพ่งอยู่เพ่งอยู่ใช่ไหมคะอมอะมันยังมีน้ำหนักอยู่นะไม ถ้ามีน้ำหนักนะสักนิดหนึ่งก็แสดงว่าเพ่งขอบคุณค่ะกล่าวสักการหลวงพ่อนะครับมาส่งกับบ้านครั้งแรกนะครับอยากให้คุณพ่อหลวงพ่อช่วยพิจรารณาให้จังบ้านหน่อยครับ<ม>คือเคยปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กถูกบังคับให้สุกมนนั่งสมาธิวันละห้านาทีแบบแล้วก็ทิ้งมาสิบกว่าปีเพราะว่ามไม่เห็นความสำคัญตอนนี้พอตัวเองเจอทุก นก็กลับมาปฏิบ <|so|> ัติตอนนี้พยายามปฏิบัติจริงๆได้เดือนหนึ่งแล้วครับสังเกตไหมว่าความรู้สึกทั้งหลายนะมันมาแล้วก็ไปรู้สึกมันไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเขานะครับร่างกายก็เป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเราขันมันเริ่มแยกแล้วนะนั่นมันต้องเคยทํำอะไรชาติก่อนๆด้วยมันถึงง่ายนี่จะต่อยอดจากตัวนี้นะก็คือดูกายเขาทางานดูใจเขาทางานไป ไม่บังคับจสังเกตไมจิตนีไปคิดได้เองใช่ครับ <นะ S 2> ดูมันหนีไปก็รู้พอรู้ขึ้นมาแล้วแล้วก็มันมีความรู้สึกอย่างอื่นที่สุขทุกข์ดีชั่วอะไรขึ้นมาเราก็ดูไปเราก็จะเห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วก็ไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่อยู่ต่างหากจิตเป็นคนไปเห็นเข้าทุกอย่างมาแล้วก็ไปจิตเองก็มาแล้วก็ไปคือจิตผู้รู้อยู่ชั่วคราวก็หายไปเป็นจิตผู้คิดอย่างี้ ทุกอย่างเกิดดับหมดเลยทั้งอารมณ์ก็เกิดดับทั้งจิตก็เกิดดับตัวอย่างนี้เรื่อๆไปเคยมีนั่งสมาธิเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาครับเป็นครั้งแรกที่เจอสภาวะที่ว่าอผมดูลมนะครับเมื่อก่อนพุดโธรมาตลอดแต่ว่าหลังๆมารู้สึกดูลมแล้วมันสงบกว่าก็ดูลมแล้วคราวนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลมหายใจมันสั้นคมรู้สึกเหลือแต่ลมหายใจละกายมันหายไปหมดเลยแล้วก็เหอนกับพยายามดึงสติกับมารู้กายพยายามไม่ไม่ไม่ลืมกายนะครับ ที่จริงต้องไม่ลืมตัวไม่ไม่ไม่ทิ้งกายไปกายไม่สําคัญะําคัญที่ใจแล้วอย่างนั้นไม่ถูกป่ะครับอย่างนั้นน่ามันจะถ่วงเอาไว้จะเข้าสมาธิลึกๆไม่ได้้วห่วงกายมากไปจุดสําคัญคือไม่ให้ขาดสติเท่านั้นนี่นะแต่ว่าร่างกายเนี่ยเราไม่รักษาไว้แล้วจะตั้งร่างกายจะหายไปหมดเลยนะไม่มีร่างกายแล้วเหลือแต่จิตดวงเดียวก็ไม่ขาดสติอย่างนั้นดีที่สุดเลย งั้ถ้าร่างกายจะหายก็อย่าไปฝืนอย่าไปต้านไว้หายก็หายไปแต่อย่าให้หลับในไปเลยลืมตัวเองไปเลยถ้าถ้าร่างกายหายไปเลยนะแล้วก็เหลือสติรู้ตัวอยู่ไม่มีร่างกายไม่คิดไม่เนึกออะไรพอถอยออกมามีร่างกายเนี่ยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปเนี่ยขันจะแยกนะกายกับใจจะแยกขัดกันไม่รวมกันนะนะแต่ว่าของคุณทํามาใช้ได้นะไม่เสียหลายหรอก ขันมันแย่งได้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มีพิเศษนะครับเนื่องจากเป็นช่วงเข้อภรษาจะกล่าวคําถวายทานแล้วก็ขอขมาไปด้วยในคราวเดียวกันนะครับขอเชิญทุกท่านตั้งจิตน้อมตามไปนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระอาจารย์ประโมทประโมทโชว ขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทิญหากข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระโพธิสัตว์พระสง์สาวกเทพพรหมเทวดาพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย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 เอวังโหตุเอวังโหตุโยจะปุเพปมะชิตวาปัจฉะโซนะปมะชติโซมังโลกังปพาเสติอภามุตโตวจันติมายัสสะปปังกตังกัมังกูสเลนาปะเฮติโซมังโลกังปพาเสติอัภามุตโตวจันติมาอาภิวาทนาสีลิสนิจังมุทธาปจายโนจตารโอธรรมาวัฏันตีอายุวันโนสุขขัง พลังสาธุภาวนากันนะตั้งอกตั้งใจวันคืนผ่านไปรวดเร็วมาก